ตอนขับถ่ายก็ต้องภาวนานะแต่อาจจะไม่ต้องสวดมนต์เวลาสวดมนต์นะเทวดาชอบมาสวดด้วยนะสงสารเทวดานะแต่ว่าไม่เลิกภาวนานะอาจจะไม่สวดมนต์ตอนนั้นไม่ต้องพูดโธก็ไดนะ้แต่รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายขับถ่ายไปเนี่ยเนะีเนี่ยร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะสติทําหน้าที่รู้ไปด้วยมีอะไรเกิดขึ้นในใจสติทําหน้าที่รู้ไปด้วยนะ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 ที่กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราสติะระลึกรู้ในเวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติะระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนะ ก, ลนะก็จะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เรานะ ส, สติะระลึกรู้เป็นตัวผู้รู้อยู่นะถ้าประคองไว้มากนะเหมือนตัวผู้รู้เด่นดวงอย่างนีนะ้จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกธาตุนี้ไม่เทีย่ยงยกเว้นผู้รู้วพวกนี้ยังเดินต่อไม่ได้จริงนะยังยิตตัวผู้รู้อยู่จะเห็นตัวผู้รู้เที่ยง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 นิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์